บทภาชณีติกาปาติเทศนิยะ560มาตุคามผู้เป็นอุปสัมบันิภิกษุสำคัญว่าเป็นอุปสัมบันิไม่ห้ามเธอผู้บงการต้องอาบัติปาติเทศนิยะมาตุคามผู้เป็นอุปสัมบันิภิกษุไม่แน่ใจไม่ห้ามเธอผู้บงการต้องอาบัติพาติเทศนิยะมาตุคามผู้เป็นอุปสัมบันิภิกษุสำคัญว่าเป็นอุปสัมบันิไม่ห้ามเธอผู้บงการต้องอาบัติปาติเทศนิยะ ทุกกฎมาตุคามผู้ผสมบทในสงฝ่ายเดียววงการภิกษุไม่ห้ามต้องอบัติทุกกฎมาตุคามผู้เป็นอนุประสัมบันฑภิกษุสําคัญว่าเป็นอุปสัมบันต้องอบัตทุกกฎมาตุคามผู้เป็นอนุประสัมบันฑภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎมาตุคามผู้เป็นอนุประสัมบันฑภิกษุสําคัญว่าเป็นอนุประสัมบันฑไม่ต้องอบัติ